พระเจ้าเนี่ยสแสวงหาศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณเป็นต้นหอ่ไรเนี่ยไหมอันใหญ่ใช่ไหมเสพซ่องเสพกันเป็นประจำก็สอนตอนเองว่าสุเมทะตั้งแต่นี้ไปท่านควรบําเพ็ญศีลละมิบรมีนะชื่อว่าเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วใช่ไหมเนื้อจามารีไม่อะไรเมธชีวิตรู้จักจามารีไหมโยมจามรีนี่เป็นไงอาจารย์มารีนี่คืออะไร จามารีนี่คืออะไรอ้าวไม่รู้จักจามารีแล้วเดี๋ยวให้พ่อสอนอีกแล้ว <c oughs> ไม่รู้จักจามารีเลยอ้าวรู้จักจามารีไหมเอาเคยเห็นไหมหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> จามารีก็คือควายที่เบ็ดเนี่ยคล้ายๆจามาระกับจามารีใช่ไหม แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือไม่รู้จะพันนี้หรือเปล่าไม่แนใจนะแต่ถ้าจา ม, มารีจริงๆเนี่ยเขารักหางก็มากกว่าชีวิตหางก็สวยสัตว์ประเภทนี้เป็นสัตว์ที่รักหางมากหวงแหนมากตรงนี้ท่านก็เลยเอาเป็นอุปมาในกรณีของศีลเพราะสัตว์ประเภทนี้วเวลาวิ่งหนีสิ่งต่างๆไปถ้าหางไปติดกับ ตอก็ดีไปติดกับไอ้เทววันเป็นต้นก็ดีนะไปติดกับเรียวหนามพงหนามเป็นต้นก็ดีเนี่ยมันจะนอนอยู่งั้นแหละมันกลัวหางขาดเราท่านทั้งหลายลองคิดดูนะถ้าเรากลัวศีลขาดมากก็กลัวชีวิตขาดนี่ยโอ้โหยทั้งที่จริงเนี่ยนะระหว่างรักษาชีวิตกับรักษาศีลเนี่ยศีลสําคัญกว่าจริงนะสุดจริตกรรมสําคัญกว่าจริงๆนะ เพราะการมีชีวิตอยู่แต่ทุ่ศีลเนี่ยมันก็คือคนตายแล้วไม่ใช่เหมือนนะคือคนตายแล้วนี่ก็มานั่งพิจารณาเออสมมุติถ้าเราจะให้ทุจริตเกิดในใจเนี่ยกับการมีชีวิตอยู่อันไหนประเสริฐกว่ากันเอาระหว่างให้ทุจริตเกิดในใจกับการให้ชีวิตอยู่หรือให้ไม่ยอมให้ทุจริตเกิดในใจใช่ไหมยอมตายเนี่ยอันไหนประเสริฐกว่ากัน ยอมตายให้สุดจริตนะอยู่ใช่ไหมเอ้านั่งหลับเป็นทุจริตหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นี่เห็นชัดๆเลยเนะี้หลับเนี่มันทุจริตนะเวลาฟังธรรมเนี่ยนะเพราะมันเป็นโมหะครอบงําและถีนามิทะนี่อย่าไปสร้างร่องนี้ไว้เดี๋ยวเลาเจอพระเจ้าแล้วจะลําบากร่องมันลึกยังไ ม, นะม่ถีนามิทะเนี่ยพยายามลุกออกจากมันให้ได้ กล้าออกมาเลยให้ได้ใช่ไมบอกไม่จะไม่ไม่เป็นธาตุมนีกแล้วเพราะเป็นธาตุของโมหานี่มันเจ็บปวดเนี่ยตรงนี้ท่านก็เลยบอกว่าดูก่อนสุเมธะตั้งแต่นี้ไปท่านควรบมเพนศินบารมีเชื่อเนื้อจาบารีไม่อะไรแม้แต่ชีวิตยอมและยอมรักษาค้นหาของตนไม่ให้ขาดกระจุยอย่างเดียวแม้ชั้นใดตั้งแต่นี้ไปท่านไม่อะไรแม้แต่ชีวิต จงรักษาศีลอย่างเดียวฉะนั้นแล้วก็จักเป็นพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานเลยอธิษฐานศีลบารมีไว้ในใจอย่างมั่นคงตรงนี้เราเราท่านทั้งหลายไม่ได้ตั้งอธิษฐานกันไว้บางทีเนี่ยนะยอมละเมิดศีลยอมละเมิดศีลยอมละเมิดสุจริตกรรมทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นตรงนี้ก็พยายามตั้งเาไว้ให้มั่นคง เมื่อตั้งกันไว้มั่นคงแล้วจะได้เป็นปัจจัยแก่การที่จะเราจะได้ดําเนินชีวิตเข้าสู่หนทางที่หลุดพ้นได้ลำดับนั้นท่านก็พิจารณาต่อไปก็เห็นเนคขม่าบา ร, รมีเป็ น, นคํารบที่สามท่านก็มาพิจารณาบอกว่าพระเจ้าผู้แสวงหาคุณนันใหญ่ในการก่อนท่านก็ซ่องเสพนี่แหละเนคขม่าบา ร, รมีท่านก็เตือนตัวเองดูก่อนสเมธะตั้งแต่นี้ไปท่านพึงบำเพ็ญเนคขม่าบา ร, รมีนะบุรุษที่อยู่ในเรือนจํามานานก็ไม่ไม่รัก เรือนจํานั้นคือเอื่มระอามากอะ่ะเอื่มระอาเอ๊ ะ, อเอะเคยคิดไมหมยอมว่าเราอยู่ในตะกับต า, ตาหัวจ ม, มูกลิ้นกายใจก็คือเรือนจําแล้วออกจากมันไม่ได้เป็นทุกข์มากเคยคิดขนาดนั้นหมหลายหลายคนบางทีไม่ค่อยคิดเลยไปคิดอยู่ตอนตอนเป็นโรคมะเร็ง <S <S <S <S ใช่ไหมอยากจะออกเหลือเกินเห็นไหมบางทีที่บอกว่าที่ว่าไปดูวันก่อนใช่ไหมจําได้ที่ว่าที่นั้น หลายคนดูเดี๋ยวบางท่านอาจจะไม่ดูที่ว่าเรื่องเด็กเนี่ยเด็กที่เขาพิ ก, การที่เขาป่วยทีนี้พอเขาป่วยขึ้นมาบเบ็สเ็จว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยใหม่ๆก็ยังไม่ได้เข้าใจพระธรรมเท่าไหร่ใหม่ๆเขาก็พูดบอกว่าเขาอยากจะออกจากร่างนี้เหลือเกินเพราะร่างที่มีโรคเนี่ยมันโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันทรมานเขาไม่อยากอาศัยอยู่ไอ้การคิดในลักษณะอย่างนี้แปลว่ายังไม่เข้าใจ แต่พออยู่ต่อมาไหมพอเขาฟังพระธรรมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอข้อมูลคําสอนนั่นเขาชัดเจนขึ้นมาต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นทุกข์เหล่าเนี้ยเขาเห็นทุกข์เหล่านี้เบีดเสร็จแล้วเขก็นึกนึกถึงบุคคลอื่นด้วยแล้วก็สงสารบุคคลอื่นด้วยเขาก็เลยตั้งจิตเลยบอกว่าบุญกุศลต่างๆเหล่านี้ยด้วยความทุกข์ที่เขาประสบต่างๆเหล่านี้ยคนอื่นก็จะต้องประสบทุกข์กับเขาอย่างเขานี่เยอะแยะไปหมดเขาเลยตั้งเลยบอกว่า บุญกุศลต่างๆที่เขาดําเนินไปเรื่องต่างที่เขาเคยทํามาก็ดีแล้วกาลังทําก็ดีแล้วจะทําในอนาคตเนี่ยขอให้เป็นปัจจัยแก่สัมมาสัมปวิยาณด้วยเถอะเขาตั้งนี่นะเขาฟุ่นเข้าเองนะมาฟังอย่างบอกโอ้นี่เขาเริ่มเข้าใจอย่างนี้เขาตั้งเขาเข้าใจเขาปรารถนาเลยเนี่ยจากอัธภาพที่เขาพิกลพีการเนี่ยเขาปรารถนาสูงเลยนี่นะว่าเขาเขาเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าเรือนจําเนี่ยนะ นันเป็นเรือนจําจริงๆนีนในกลางมาพบรูปประพบและรูปประพบการออกจากตาหูจมูกริ้นกายใจไม่ได้นี่นเป็นเรือนจําฉะนั้นถ้าเราคิดวันเป็นเรือนจําแล้วไม่ปรารถนาที่จะอยู่กับเรือนจําเนี่ยเขาก็คิดออกคนที่บําเพ็ญเนกขมะบา ร, รมีเขาเอือมระอามากต่อเรือนจําอันเนี้ยอยากจะพ้นไปจากพบมุ่งหน้าแต่เนกเนกข ม, มะโดยฝ่ายเดียวฉะนั้นเหมือนกันเมื่อคิดดังนี้แล้วท่านก็อธิฐานเลยอธิษฐานเนกข ม, มะเป็นอันดับที่สามไว้ให้มัน่น ให้สังเกตุไหมทางกตีฐานศีลกติฐานเนคขมะกติฐานไว้ในใจให้มั่นคงเลยที่ให้มั่นคงให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างมั่นคงนะ่ยไปในพบไหนได้ยินคําว่าบวชไม่ได้เลยนะหรือได้ยินคําว่าออกจากกามอะไรในใจมุ่งมั่นเหลือเกินตอนนี้เราได้ยินแล้วเป็นยังไงได้ยินว่าเวลาจะออกจากออกบวชออกจากเรือนต่างๆในยใจมันเป็นยังไงกลัวเลยไหม ถ้าใจมันมุ่งมั่นอยากจะเดินออกจริงๆแสดงว่าเอาเราอธิษฐานตรงนี้มันอยู่ที่ความคิดย่อมอยู่ที่เจตนาโยธามันอยู่ที่เราคิดบ่อยๆปรุงแต่งบ่อยๆไม่ไม่น่ะถึงไม่กล้าเดินออกก็คิดทุกวันลองคิดดูทีคิดว่าเราจะออกจากกามเราจะออกจากกามเราจะออกวัตถุกามจะออกจากกิเลสกามเนี่ยคิดทุกวันแล้วผูกไว้ในใจทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเงี้ยลองผูกดูทีน่ะเข้าน่ะเข้าใจก็น้อม มันอยู่ที่เราจะให้ข้อมูลใช่ไหมให้ข้อมูลทุกวันดินี่ขี้เกียจคิดเนี่ยยัไม่ค่อยได้สําเร็จหรอกอย่าไปขี้เกียจคิดในการที่จะบ่มเพิ่บรารมีเนี่ยขยันคิดก็ว่าต้องขยันคิดเรื่องทานก็ไปเรื่องทานขยันคิดเรื่องศีลก็ไปเรื่องศีลขยันคิดในเนกฆ a ม m a ก็จะไปในเรื่องของเนกฆ amma แต่คนไม่กล้าคิดถ้าถ้าไม่ค่อยคิดอะไรมานั่งฟังธรรมก็จะหลับเก่งทั้งเกตตัวเทีไม่ค่อยคิดอะไรพอฟังฟังไวเพลินเพลนหน่อยก็จะหลับตกล่องอีกแล้วอย่างเงี้ยนะ ก็ไปคิดล่องใหม่ที่ให้มันจิตมันตื่นตัวลำดับนั้นสุมเมธาดาบทใคร่ควรยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เห็นพุทธกาลการทำไม่ใช่เพียงเท่านี้ก็เห็นปัญญาบา ร, รมีเป็นลำดับที่สี่ซึ่งพระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในการก่อนซ่องเสพแล้วก็กระทํากันมาแล้วก็สอนตนเองว่าดูก่อนสุมเมธาตั้งแต่นี้ไปใช้คำว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจักปรินิพานทุกข้อท่านต้องตั้งแบบนี้นะ ทานบารมีศีลบารมีเนกขมาบารมีปัญญาบารมีเป็นต้นบอกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะปรินิพานจะได้บรมธรรมของพระพุทธเจ้าจะผูกสิ่งเหล่านี้ไว้ในตนเขาไม่ได้ตั้งบอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปไม่ใช่เบาอย่างงี้นะเขานู่นก็ตั้งเอาประเภทที่ว่าปรินิพานเป็นตัวตั้งเลยอธัธยาศัยก็ตั้งกั้นเลยหรือเปล่า คนทุกวันไม่ค่อยกล้าตังจะบาดหนานิพพานยังกลัวกันนี้โอ้โหลำบากเลยคือลําบากเขาตั้งมั่นจริงๆเขาคิดยอมลองคิดอย่างนี้ถามโยมผู้ชายนะมาเคยรู้จักเขาบอกว่าเนี่ยกลัวเขาจะได้โยมผู้หญิงคนนี้มาเขาโอ้ก็เพียนนะดุมาบอกโอ๊ยคุณเพียนผิดทําไมคุณเพียนแสวงหากรรมแบบนั้นเขาบอกโหยากจริงๆแต่ก่อนเขาเกลียดผมมากอาจานย์เาบอกกท่านอาจารย์เขาเกลียดผมจริงๆว่า ขนาดเดินผ่านหน้าบ้านก็ยังด่าผมเลยก็อาแล้วทำยังไงก็ไปเรื่อยๆก็ใช้ความดีชนะในตึกเขาใจอ่อนก็ว่างั้นดูที่ขนาดในเรื่องนั้นมันยังได้ใช่ไหมก็เรื่องง่ายๆนี้ยังได้เลยจริงๆเรื่องง่ายนะเรื่องแบบนี้ไม่ยากนะไม่ยากหรอกเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกัเรื่องของเรื่องวัตถุกรรมเนี่ยไม่ยากเหมือนคนปราถนาเป็นประธานนาดีก็ปราถนาไม่ยากกมันเรื่องกรรมคุณ ปรารถนาปรารถนาไปแต่อันนี้นะเขาคิดทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันคิดบ่อยๆบ่อยๆก็ได้นั่นมันอยู่ที่ว่าเราจะคิดหรือเปล่าแค่นั้นเองฉลอยว่าในอดีตรเราคงคิดน้อยจริงๆใช่ไหมคิดน้อยมากแล้วบางทีนอกจากบางคนคิดน้อยยังไม่ยังไม่ไมไมค่อยกล้าคิดไม่ค่อยอยากจะคิดนั่นะกลับไปคิดใหม่นะยมนะตรงนี้ท่านก็ บ, บอกว่า พิจารณาในระดับที่4ี่บอกว่าปัญญาบารมีท่านไม่เว้นท่านบอกว่าท่านไม่พึงเว้นคนต่ําคนชั้นกลางคนชั้นสูงไรไรเข้าไปหาบัณฑิตทุกท่านและถามปัญหานะเสมือนหนึ่งภิกษุถือการบินตบาดเป็นวัดไม่เว้นตระกูลทั้งหลายมีตระกูลต่ําเป็นต้นไรไรบัณฑิตบินตา บ, บาดไปตามลําดับย่อมได้อาหารยังอัจภาพไปเป็นไปเร็วพันฉันใดแม้ท่านก็จงเข้าไปหาบัณฑิตทุกท่านถามปัญหานะ ถามปัญหาชนผู้รู้ทุกเวลาจนถึงฝั่งปัญญาบา ร, รมีจักเป็นพระเจ้าได้เหมือนกันแล้วก็อธิษฐานปัญญาบา ร, รมีในดับสี่ไว้ให้มั่นนี่เป็นอย่างนี้ท่านก็อธิษฐานก็ไว้อธิษฐานก็นไว้เป็นไปตามลำดับให้สังเกตอย่าแปลกใจนะคนบางคนเนี่ยว่าเราได้ยินพระธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยปรารถนาที่จะฟังเนี่ยปรารถนาที่จะรู้ปรารถนาที่จะน้อมไป พราะเห็นว่าชีวิตของเรามันน้อยใช่ไหมฉะนั้นก็น้อมในการที่จะฟังเพื่อเป็นปัจจัยการขัดเกลาเอาจริงเอาจังในการฟังพระธรรมเลยนะเขาไม่ใช่ฟังเล่นๆนะใครฟังพระธรรมได้ถึงสิบชั่วโมงบ้างวันหนึงนะ่งลองไปฝึกดูทีใหม่ๆก็เริ่มจากฟังหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะบอกว่าเขียนติดหน้าห้องเขาไว้บอกห้ามคนมายุ่งกําลังฟังธรรมเขียนติดไว้หน้าห้องนึงนะแล้วก็เปิดพรรมะแล้วก็ใช้ ย, ยาบทสามยืนเดินนั่งเว้นนอน ถ้ามันง่วงอย่านั่งยืนถ้ายืนยังง่วงอีกเดินเดินค่อยๆเดินฟังทำดูทียืนเดินนั่งอ่ะฝึกฟังไปหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวนาข้าจะได้เป็นสองจากสามชั่วโมงวิธีฝึกวิธีฝึกนะนาข้าวานะข้าจะเป็นคนคิดอะไรเป็นระบบได้เก่งมากเอาฮไปฝึกอ่ะคิดพระธรรมก็ลึกซึ้งมากเพราะอะไรเพราะจัดระบบระดับการฟังเป็นไปตามลาดับได้ชัดเจน ฟังแล้วไม่ส่งใจไปอื่นได้นะตรงเนี้ยเริ่มฝึกเริ่มใหม่ๆจะฟังได้เป็นชั่วโมงได้ก็จริงไหมแต่ใจมันยังส่งไปเรื่องอื่นอยู่หนัเข้าก็เริ่มเริ่มไม่ส่งทําไมต้องทําเอาเสียงพระธรรมนํำล่องรู้ไหมเพราะว่าเสียงพระธรรมนั้นจะเกื้อกูลเราได้ง่ายกว่าเพราะหนักเข้านักเข้าแต่ น, นี้พอฟังจนเป็นอัธยาศัยแล้วฝึกขัดคิดด้วยแต่เนี้ยมาคิดเองโดยไม่ต้องฟังแล้วก็ฟังคิดฟังคิดในหนักเข้าโอ้โหแต่เนี้ยชานาญเลยต่อไปในเป็นคนคิดเป็นระบบได้คิดพระธรรมก็เข้าใจง่าย แล้วในสุดจริงๆก็จะใจก็น้อมในการที่จะขัดเขาได้สะดวกถ้านอนฟังก็เรียบร้อยไม่ถึงสามสิบนาทีพระกเทศเปวันเดียวว้าวบงทีฝันไปมั่วเลยตงนี้เคยเป็นไหมล่ะฝันนี่มันก็เป็นอย่างเงี้ยต้องต้องฝึกมึงตรงนี้ก็คือในลำดับนั้นสมเมธาดาบวดท่านกพิจารณาไข้ควรในลำดับที่ห้าอย่างนี้ว่าดูก่อนสมเมธะ ตั้งแต่นิปายต้องบำเพ็ญวิริยาบารมีเหมือนราชสีพญามลึกมีความเพียรมั่นคงในรยาบททั้งหมดแม้ชั้นใดแม้ตัวท่านก็ต้องมีความเพียรที่มั่นคงมีความเพียรไม่ท้อถอยในยาบททั้งปวงในพบทั้งปวงอยู่ชั้นนั้นจักเป็นพระเจ้าได้ท่านจงอธิษฐานวิริยาบารมีในระดับที่ห้ายังมั่นคงนี้ท่านก็มาพิจารณาแล้วก็ดึงความเพียรเนี่ยเขาเรียกว่ามีระดับ ที่เขาเรียกว่าอารัทาตนิกมทาตุปรัคกามทาตอรัทาต์เด็กเขาเรียกเพียนเบื้องเริ่มต้นวิธีความเพียนเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเขาคิดในลักษณะว่าคิดเข้าหาความเพียนคือปารอบความเพียนบ่อยๆเช่นความเราท่านทั้งหลายนี่คนเกียดค้านใช่ไหมโดยมากอัตยาใัยในจะเกียรติค้านว่าให้สังเกตดูในช่วงไหนเป็นช่วงที่เกียรติค้านคือช่วงที่กินอาหารอยู่ใหม่ๆ เท่องนี้ความเกลียดค้านที่มันจะมากระแทกใจตลอดเวลานะแล้วมันจะก่อมมันมีวิธีการพูดนะโอ้วันนี้ควรจะพักได้เนะ่ยเนี่ยแล้วมันพูดเพราะไอ้ความเกลียดค้านโกสัจชาเนี่ยพูดเพราะมากโอ้ oh, เมื่อยหลังว่างั้นนะน ะ, นะนะมันก็จะบอกแล้วในส่วนจริงมันก็จะให้เรานอนเนี่ยแต่เราต้องปารถบเราปรารบบอกอันนี้ ตอนนี้ไอ้รากของอกุศลนี่คือราคาโทสาโมหะเนี่ยมันยังไม่ได้ถอดสักรากเลยเนี่ยยังจะมามัวเมาในการนอนอยู่หรือในสังสารวัตที่ผ่านมาก็นอนมาไม่รู้จะกี่พบกี่ชาติแล้วเดี๋ยวก็ได้นอนไม่ยากหรอกยามป่วยขึ้นมามันก็ลุกไม่ขึ้นกันทุกคนอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ยังพอนั่งได้ยืนได้เดินได้เร่งรีบเสียเนี่ยมันก็เริ่ม ไ, มไหมารบอย่างเงี้ย เนี่ข้านี่ข้ามันก็ไม่ค่อยเห็นแก่นอนเท่าไหร่มันต้องเตือนตัวเองแรงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นความเกลียดคร้านเนี่ยมันจะเข้ามาสิงใจอยู่เนะี่ยแล้วแปลกนะถ้าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของทางโลกเนี่ยมันตื่นเต้นตื่นเต้นมากลองลองเรื่องนินทาแต่ละามาฟังข่าวเขาเปิดอนี่ไม่ได้นั่งมาเนี่ยเขาเปิดข่าวถ้าฟังนี่คิ่งขำๆนึง เขาพูดถึงว่าเขารายงานต่างประเทศเอ้ไม่ใช่ต่างจังหวัดฝนเริ่มตกแต่แ ต, แต่แต่กรุงเทพเนี่ยรนะเบิดตกแทนเฮ้พูดน่าเกียดดิเขาพูดเล่นนมันขำกันเล่นเราก็มองเออแปลกดีพูดอะไรกันก็ไม่รู้ตรงนี้ก็คือ ให้เราทั้งหลายได้ไดไดไดไดคิดว่ากรณีที่วิริยะบา ร, รมีที่พระโพธิสัตว์ท่านบําเพ็ญกันเนี่ยท่านต้องการที่จะเป็นระดับที่ถ้านิกกรรมาธาตุออกจากความเกียดติคันถ้าปรมามะป ร, ะรมามธาตุเกิเพียรในสู ง, ย, งยิ่งขึ้นไปนี้ท่านเป็นความเพียรระดับสูงเป็นความเพียรระดับที่จะออกจากสังสารวัฏเนียท่านไม่เสียดายไม่อะไรชีวิตเนี่ความเพียรในลักษณะอย่างนั้นนะลำดับต่อไปก็คือเป็นลําดับที่หก ท่านก็ใคร่ควรยิ่งยิ่งขึ้นไปถึงพุท ธ, ธกาลกรธรรมไม่ใช่มีเพียงแค่ห้าท่านก็เห็นขันติบา ร, รมีเป็นลำดับที่หซึ่งพุ่งแสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่ในซะ่องเสพกันเป็นประจำ น, นก็สอนตนเองบอกว่าดูก่อนสุมเมธะท่านต้องบำเพ็ญขันติบา ร, รมีอดทนในการยกย่องในการดูหมิน่นการอดทนในการยกย่องกับดูหมิ่นอันไหนอดทนยากกว่ากันเสียงยกย่องนี่แปลกจริงๆนะนึกว่าจะอดทนง่ายที่ไหนได้ยากมาก เมื่อเวลามีคนชมแต่ละทีมันอดยิ้มในใจไม่ได้นะเออเป็นเรื่องแปลกมากเออเสียงอดทนยังพอจะก้มแกล้มก้มแกล้มให้มันบุญเกิดได้ง่ายกว่านะแต่เสียงยกย่องที่รลืมเนื้อลืมตัวก็คีในสังสารวัตที่ผ่านมาเราเสียหายเสียผู้เสียคนมาไอ้เสียงยกย่องเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะเวลามีคนยกย่องขึ้นมานี่หูเสียไม่รู้จะเสียยังไงฉั้นท่านทั้งหลายเนี่ยให้สังเกตดูโลกธรรมเนี่ยบรรดาที่เสียงนินทาเสียงสารเสริญเนี่ยนะ มีราบเสื่อมราบมียอดเสื่อมยอดเนี่ยเนี่ยสุขและทุกข์เนี่ยเป็นโลกธรรมจริงๆนะคําว่าโลกธรรมก็คือคือมันเป็นธรรมที่อยู่ในขันเนี่ยประจำขันเนี่แหละสิ่งเหล่าเนี้ยไม่มีวันไหนเลยที่จะไม่เจอโลกธรรมและไม่มีเวลาไหนที่เราจะไม่เจอโลกธรรมขนาดจิตแต่ละขณะจิตเนี่ยมันสัมพันธ์กับโลกธรรมตลอดเวลาเนี่ยให้สังเกตดูที่มันจะมีการฟูขึ้นแล้วก็แฟบลงอยู่ตลอดเวลานในจิตใจเนี่ย บางทีก็มียินดียินร้ายตลอดเวลาเนี่ยอันนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงกระแสจิตของสัตว์ที่ละทั้งหลายเนี่ยไม่มีขันติบารมีขาดขันติบารมีก็ไปนั่งคิดใช่ไหมนั่งคิดในลักษณะที่บอกว่าบางทีเราหวั่นไหวในโลกธรรมอากับไปบ้านเนี่ยนะพอเสียงลูกที่น่ารักพูดสักนิดๆในนอยเนี่ยวันไหวแล้วนะวันไหวพอจะเจริญกุศลเนี่ยลองลองดี ลองไปตั้งอกตั้งใจในการนี่จะเจริญกุศลอย่างตั้งมั่นเนี่ยนะพอลูกบอกว่าพ่อหรือแม่กลับบ้านได้แล้วโอ้ยหไม่ไหวแล้วขันติหายเกลี้ยงเลยคิดถึงลูกประการต่อมาท่านก็พิจารณาบอกดูก่อนสุเมธาตรงนี้ท่านต้องบำเพ็ญขันติบารมีอดทนทั้งในการยกย่องทั้งในการดูหมิ่น เหมือนอย่างว่าชนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างและไม่สะอาดบ้างลงบงพื้นแผ่นดินแผ่นดินนั้นก็ไม่ทําความรักและความขัดเคืองให้เกิดขึ้นย่อาอดทนอดกลั้นได้แม้ชั้นใดตัวท่านก็ต้องอดทนต่อการดูหมิ่นและการยกย่องในที่ทั้งปวงชั้นนั้นเหมือนกันจักเป็นพุทธเจ้าท่านก็อธิษฐานไว้ในใจเลยให้มั่นคงเลยทีนี้เนะี่ยตรงนี้คุณธรรมที่มีขันติที่เห็นตัวอย่างภาษาก็คือภาษารีบุตร ภาษาลิบุตรเวลาท่านบรรลือคุณธรรมของท่านนี่ภาษาวกธรรมดาที่เป็นบุรุชนเนี่ยร้องไห้นะร้องไห้ในคุณธรรมของท่านเลยเนี่ยขนาดว่าท่านบอกว่าตอนที่ท่านถูกตําหนิถูกดูหมินอะไรเยอะแยะเบ็ดเสร็จหรือถูกชมแลงต่างอะไร เ, เนี่ยท่านวันไหวท่านก็บอกกับพระบรมศา ส, สดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใจของข้าพระองค์ประดุดดังแผ่นดินใจของข้าพระองค์ประดุดดังน้าใจของข้าพระองค์ประดุดดังไฟและลมเป็นต้น แล้วใจของข้าพระองค์เนี่ยข้าพระองค์เราทำตัวไปดุดดังผ้าทุลีเช็ดเท้าเหมือนเด็กจันทานเหมือนโคเขาขาดานี่เลยลงมาพิจารณาดูที่ท่านพูดพิจารณาคุณธรรมของท่านเนะท่านไม่ดูหมิน่นใครท่านมีความอดทนนะนะธรรมดาน้ำอนะันนี้ยพระพื้นแผ่นดินนั้นคนเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งลงที่แผ่นดิน แผ่นดินนั้นก็ไม่โทรมนัดหรือไม่เกียร์ชัง้งแล้วก็ไม่ลุ่มหลงในสิ่งของที่สะอาดและไม่สะอาดฉั้นใดใจของพระองค์ก็เหมือนกันฉันนั้นอันนี้แปลว่าอะไรนี่ระดับหนึ่งสงไขยอย่างระดับนั้นนะถ้าพระเจ้าเนี่ยยี่สบว่าสงไข่ยิ่งได้แสนมหากัอบก็ลองคิดดูที่ว่าใจของพระเจ้านั้นแค่ไหนอย่างไรลำดับนั้นท่านกพิจารณาไขาครวนไปตามลำดับก็เห็นพุทธกาลกรรมในคำคํารบที่เจ ซึ่งผู้แสวงหาคุณทั้งหลายการก่อนซ่องเสพกันเป็นประจำก็สอนตนเองว่าท่านพึงบำเพ็ญสัจบรรมีนะเมื่อสายฟ้าแม้ตกลงมาตรงกระหม่อมท่านก็อย่าพูดเท็จอย่าพูดเท็จทั้งๆ ท, ที่รู้โดยอคติมีฉันทาคติ โทษาคติโมหาคติหรือพยาคติเพื่อประโยชน์แก่ทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตเพื่อประโยชน์แก่พวกพ้องอย่าพูดเท็จท่านเตือนตัวเองอย่างนั้นอ้าวถ้าเราถูกจับไปมีคนเขาใช้มีดจี้ที่คอแล้วให้เราพูดเท็จถ้าไม่พูดเท็จเขาจะเสียบคขเลยไงนะเราจะคิดได้ไหมว่าใหม่อรั เราจะบำเพ็ญสัจจะบารมีเราจะไม่พูดเท็จหายากเลยใช่ไหมฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ท่านบอกว่าดาวประกายพลึกเป็นดังตาช่างของโลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่ว่าฤดูฝนรฤดูหนาวฤดูร้อนก็ไม่โคจร อ, ออกนอกวิถีเลยแม้ฉันใดถึงตัวท่านก็อย่าเดินออกนอกวิถีของสัจจะทั้งหลายถ้าปรารถนาจะเป็นพระเจ้านะให้ฝังฝังสัจจะบารมีอธิษฐานสัจจะบารมีนั้นให้ถึง เข้าไว้ในใจเพื่อเมื่อถึงฝั่งสัจจบารมีแล้วจะได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็เลยอธิษฐานสัจจบารมีไว้ในตนอย่างมั่นคงลำดับนั้นสุเมธาบดดาบทก็ใคร่ควรยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปก็พบอธิษฐานบารมีเป็นคำรบที่แปกกเตือนตนเองบอกว่าดูก่อนสุเมธาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนกว่าจะปรินิพานท่านต้องบมเพอธิษฐานบารมี เป็นผู้ไม่คร้านไม่คลอนแคลนในอธิฐานภูเขาเนี่ยเมื่อลมพัดมากระทบทุกทิศเนี่ยนะเคเห็นภูเขามันหวันไหวไหมท่านบอกว่าหนึ่งก็ตั้งมั่นแม้ฉันใดตัวท่านก็ไม่คลอนแคลนแนอธิฐานธรรมอะจักเป็นพระเจ้าฉันนั้นเหมือนกันท่านก็อธิฐานบา ร, รมีไว้ในตนแล้วท่านก็พิจรารณาไข่ควรใช้โยนิสงสนาสการในการพิจรารณาไข้ควรยิ่งยิ่งเกินไปเนี่ยนะก็เห็นเมตตาบา ร, รมีเป็นลําดับที่เก้า ท่านพิจารณาบอกว่าดูก่อนสุมเมธะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะปรินิพพานท่านจงบำเพ็ญเมตตาบารมีท่านพึงมีเมตตาจิตนะผู้ที่ทําประโยชน์เกื้อกูลและไม่ทําประโยชน์เกื้อกูลเหมือนน้าอ่ะเอิบอาบทําความเย็นเป็นอันเดียวกันทั้งบาปปชนทั้งกาลยานาชนไม่ทายากเนาะทําตัวให้เหมือนน้าอ่ะคนบาปมาอาบเขาก็เย็นเนี่ยคนบุญมาอาบเขาก็เย็นน่ย เราจะทํายังไงที่ให้เมตตามันไหลไปกับคนบาปก็ได้ไหลไปคนบุญก็ได้นะไหลไปคนบุญยากไหมไม่ยากเลยไหมไหลไปกับคนบาปยากไหมเห็นคนทําบาปเห็นคนฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเห็นคนชั่วทั้งหลายเนี่ยนะเราก็หูยมีความรากักความปรารถนาดีเ อ, อือ้ออาทรแบบจับจิตจั บ, จ บ, จ บ, จ บ, จบใจทําได้ไหมหูยเมตตาเขาจริงๆเน่ะเมตตาคนบาปอ่ะ มีความรักจริงๆปราถนาจริงๆ ร, รักตนเองอย่างไรก็รักคนบาปหนาอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยทำได้ไหมทำเหมือนน้ำไงคนบาปอาบเขาก็เย็นใช่ไหมคนชั่วคนดีอาบก็เย็นไงนะเด็กอาบก็เย็นผู้ใหญ่อาบก็เย็นสัตว์ได้ละฉานอาบ ก, ก็เย็นเหมือนกันหมดเลยนะก็ทําจิตให้ประกอบไปด้วยเมตตาอย่างนั้นนั่นแหละทีนี้ครั้งกพิจารณาต่อไปในลําดับสุดท้าย ให้ครวญยิ่งยิ่งขึ้นไปกับพบอุเบขาบารมีเป็นอันดับที่สิบท่านก็เตือนตนเองบอกก็ดูก่อนสุมเมธาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านจงบำเพ็ญอุเบขาบารมีนะวางตัวเป็นกลางในสุขและทุกข์ขึ้นชื่อว่าแผ่นดินเนี่ยย่อมเป็นกลางในผู้ใส่ของสะอาดไม่สะอาดแม้ทั้งสองอย่างเว้นความยินดียินร้ายแม้ชั้นใดตัวท่านก็วางตัวเป็นกลางฉชนนั้นนะนี วางใจอ่ะจากเป็นพระพุทธเจ้าฉันนั้นก็ธิษฐานอุเบขาบารมีไว้ในตนตั้งแต่นั้นมาสุเมธาดาบทขั้นเลือกฟันธรรม1ิประการต่อจากนั้นก็คิดว่าทมที่ทำความเป็นพุทธเจ้าอันช่วยบ่มบรมธรรมโพธิญาณ น, นั้นอันพระบริษัททั้งหลายในปางก่อนมาเป็นมาในโลกมีเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่ยิ่งไปต่อ น, นี้แต่บารมีเหล่านี้ไม่มีอยู่ในอากาศเบื้องบน ไม่มีอยู่ในทิศทั้งหลายมีทิศบรุรพาเป็นต้นแต่ว่าตั้งอยู่ในระหว่างเนื้อหัวใจของเราเท่านั้นเนี่ยอยู่ในหาไทยอะบารมีทั้งหลายมิทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมาปัญญาวิริยะขันติส จ, จา่าทิฏฐานเมตตาบะเบขาบารมีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยใช่ไหมอยู่ที่ในหาไทยยะวัฏถัวอาศัยหาไยยะวัฏวเป็นไปอยู่อะไรลราอาศัยฮาไยยะวัฏถันามธรรมใช่ไหม นำมารมอาจจะเป็นบารมีก็ได้ไม่เป็นบารมีก็ได้อาจจะให้เป็นบาปก็ได้นะจะให้เป็นความตันหนีได้ไหมเอาได้จะให้ความให้เป็นความทุศีนก็อยู่ในใจนี่แหละจะให้ความเป็นไม่เป็นเนคขมให้เป็นปัญญาสามให้มีความเกียจค้านเป็นต้นไม่มีขันติต่างๆเหล่าเนี่ยนะจนถึงไม่มีความเป็นกลางในใจเป็นต่างๆเราเนี้ยเป็นต้นเน่ยก็อยู่ในใจนี่เองฉะนั้นไม่ต้องไปค้นหาบารมีที่อื่นบารมีอยู่ในใจนี่แหละ ที่มันเป็นไปในกระแสใจของเราท่านทั้งหลายท่านก็หมกฝันดูบารมีเอ๊ะอย่างนี้ยากไหมกรรมเป็นบารมีเริ่มไม่ยากใช่ไหมล้วก็นั่งค้นดูในจิตใจเราเนี่ยมันมีเหลือสักข้อไปตรงเนี้ยใช่ไหมก็ไปพิจารณาดูเพราะไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุก่อนเนะี่ยบารมีเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมแต่เมื่อนามธรรมมันเต็มเปี่ยมหมดเบสเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปจัดแจงวัตถุให้เป็นทานบารมีศีลบารมียังไงก็ว่ากันไปแต่จริงๆบารมีทั้งหลายเป็นเรื่องของนามใช่ไหม นมามธรรมที่มันฝังแน่นอยู่ในใจเนี่ยนะเราจะขุดคุ้ยหล่อเลี้ยงทำให้มันเจริญเติบใหญ่เติบโตได้ยังไงเท่านั้นเองจะเพาะกล้าเพาะเมล็ดพันธุ์ของโพธิ์ที่ไว้ในใจเนี่ยให้เจริญงอกงามออกเป็นลำต้นเป็นกิ่งเป็นใบเป็นกา้านเป็นสาขาเป็นออกผลออกมาได้อย่างไรก็มาพิจารณาในลักษณะนี้ท่านก็บอกว่าอยู่ในระหว่าง หาไทยของท่านนีเองเห็นบารมีเหล่านั้นตั้งอยู่ในหัวใจของตนอย่างนี้แล้วก็ทีฐานบารมีเหล่านั้นทั้งหมดให้มัน่นแล้วท่านพิจารณาบ่อยไหมพิจารณาบ่อยมากอนุโล ม, มด้วย ไ, ไหมอนุโลมด้วยปฏิโลมด้วยไหมเนี่ยพิจารณาทั้งอนุโลมและปฏิโลมพิจารณาทําไมพิจารณาเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วฉะนั้นการจักได้บรรลุเนี่ยบารมีเหล่านี้ไหลในใจของท่านเนี่ยนับไม่ได้เอ๊วันวันหนึ่งบารมีเหล่านี้ไหลในใจ SI เราเยอะไหม เคยคิดถึงบารมีบ้างไหมทานบารมีศีลบารมีเนี่ยกรรมะปัญญาเวรียขันติสจัติฐานะเมตตาเมตตเอ๊ะวันนี้เราได้บารมีข้อไหนเคยคิดอย่างนี้ไหมถ้าคิดอย่างนี้ทุกวันทุกวันเนี่ยอันี้แสดงว่าเริ่มแล้วนะเริ่มจะเข้าร่องเข้ารอยของบารมีแล้วนะแต่วันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้เคยคิดบารมีอะไรเลยเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันเลยนะแต่อยากจะพ้นทุกข์แต่ไม่เคยคิดถึงบารมีเนี่ยเป็นเรื่องน่าคิดมากเลยอันนี้ก็ไปคิดใหม่ใช่ไหมกลับไปคิดที่บ้านหรือรื่รีบคิดเดี๋ ต้องรด เ, ด เ, นะ เ, รเริ่มคิดเดี๋ยวนี้ไปบ้านเดี๋ยวลืมใช่ไหมแนะเริ่มเริ่มคิดเดี๋ยวเนี้ยกลับไปถ้าไปเจอคนในบ้านก็จับมามานั่งนั่งหังนหน้ามาก็พูดบารมีก็ฟองแต่เขา ก, กาลังโทรศัพท์อยู่จับโทรศัพท์วางไว้แต่เขาจะไปห่วงดูนั่นดูนี้ก็กลับมาบอกมานั่งนี่บอกไ ม, ไม่ได้แล้วต้องมีการประชุมบารมีกันแล้วบอกเรานี่อ่อนหัดมากเลยก็ว่ากันเงี้ยนะก็ก็ไปสอนเขาทาได้ไหม แต่อย่าไปบอกว่าพระบอกนะ <c oughs> เดียเด๋ยวแดดร้อนดึ่งเปล <c oughs> ่าจริงๆมัน น, น่าจะคุยกันใช่ไหมหน่าจะไปคุยคุยบ่อยๆกระเด็กเนี่ ย, ายมาลองทดลองมาเ ย, ยาอะยๆหมดแล้วเด็กเนี่ยไปอยู่ด้วยบางทีเขาไม่ค่อยชอบเจริญกุศลอะไรแล้วมาพูดทุกวันพูดบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆน่ะเข้าไปหมดและ้วะพูดเราอัดทุกวันเนี่ยข้อมูลเน่ะบางทีเขาไม่อยากฟังนะ เขาหันหน้าหนีบ้างหลับตาบ้างกไม่ค่อยสนใจหรอกมันก็จับเขาลุกนั่งบ้างอะไรบ้างเ <c oughs> ขาค่ อ, คอยๆพูดเข้ามาพูดทุกวันอ่าเดินบางทีพาเขาบวชเนี่ยเดินบิณฑ บ, บาตเขาค่อยพูดเข้ามาพูดทุกวันทุกวันเดี๋ยวมีอัธยาศัยเดี๋ยวเขาก็เริ่มทําเป็นเลยมันเป็นอย่างนี้โอ้โหบางทียอมสอนก็จนเสียหมดเด็กทุกวันนใช่ไหมเอาไปไว้แต่พระกับพร้าแต่ละทีเนี่ยโอ้ยไม่มาทางพระเลยอ่ะเอามาไปเสร็จเด็กติดเกมบ้งติดโทรศัพท์บ้างติดอะไรกันเยอะแยะหมดเลยเดี๋ยวนี้ โอไปอยู่กับพระนี่พระปวดหัวก็เป็นแนวเป็นแนวจะไปบวชกันแ ต, แต่ละทีก็ต่อรองเนี่ยโอ้ย เ, เสียเลยยอมสอนลูกกนไม่ค่อยเป็นนะี่เดี๋ยวนี้ตรงนี้ท่านกลมาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เบษษ็ดเสร็จแล้วท่านก็มาบอกว่าเมื่อพิจารณาโดยนิรมจับปลายมาชนกับต้นจับต้นไปชนกับปลายจับตรงกลางไปชนกับตรงต้นตร ง, งกลางลงไปสูงปลายเป็นต้นอย่างนี้ตามลําดับพิจารณาเหมือนกับปฏิจจสมบาทิน่ะพิจารณาอย่างนั้นแหละนะ ปฏิสนธิบาตเน่ยคิดปินาเอะอนุโลมปฏิโลมใช่ไหมแล้วก็จากกลางใช่ไหมจากกลางไปหาต้นแล้วจากกลางลงมาหาไปลายเป็นต้นเหเนี้ยท่านพิจารณาลักษณะแบบนั้นแหละภายนอกเชื่อบารมีเอาการบริจาคสิ่งของภายนอกเชื่อบารมีบริจาคเวละชื่อว่าอุ ป, ปาบารมีบริจาคชีวิตก็ชื่อว่าปรมาทบารมีรวมเป็นสิเนะียอุ ป, ป, า บ, ปาบารมีสิบปรมาทบารมีอีกสิบรวมเป็นบารมีสามสิบทัดพิจารณาเหมือนหมุนกับน้ํา น้ำมันในยนเนี่ยนะเมื่อสุเมธะโพธิสัตว์ได้พิจารณาบา ร, รมีสิบอยู่ด้วยเดชแห่งธรรมมหาปัจพีอันกว้างถึงสองแสนสี่หมื่นยดส่งเสียงร้องกล้องกำบนาสะเทือนสะทานหวั่นไหวปะหนึ่งว่าไม้อ้อที่ถูกช้างเหยียบโอ้โหใจคิดแต่สะเทือนถึงดินหนึ่งน้ำเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยใจที่คิดเนี่ยนะ คนมีบารมีอเป็นเรื่องแบบเนี้ยคนมีบารมีดำริอะไรเนี่ยสดท้านสะเทือนนะมาเคยเล่าที่บอกว่าพระมหาสีวะอันนี้ขั้นระับพระระดับพระสาวกรุ่นหลังนี่นะสมัยยุคลังกาเนี่ยท่านพระมหาสีวะเนี่ยที่ท่านมีปัญญามากจบพระตรัยวิดกสอนลูกศิษย์วันละสิบแปดคณะวันละสิบแปดคณะเนี่ยไม่มีเวลาว่างเว้นเลยะ อยู่ต่อมาในลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะเป็นพระรหันต้องการอนุเคราะห์อาจารย์เมื่อต้องการอนุเคราะห์อาจารย์เบ็ดเสร็จก็เหาะมาแต่ไม่มาก็เข้าไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็บอกว่าขอเรียนด้วยอาจารย์ก็บอกไม่มีเวลาแกจําไม่ได้ว่าเออนี่ลูกศิษย์แกแกมีลูกศิษย์ถึงสาี่หมื่นเป็นเป็นแสนๆเงี้ยนะลูกศิษย์แกมากนะเฉพาะที่เป็นพระรหันเนี่ยสามหมื่นลูกที่แกสอนไปแต่แกยังเป็นบุรุชนอยู่เลยนะแก สอนอยังไงไม่รู้สอนได้พระหรหัสสามหมื่นรูปทีนี้ลูกศิษย์ที่เป็นพระหรหัสก็เห็นอาจารย์ยังเป็นบุรุษชนอยู่ก็ห่ อ, อมาใช่ไหมห่อมาเสร็จก็มาถามมาขอเรียนด้วยอาจารย์บอกไม่ว่างลูกศิษย์ก็บอกไช่วงเดินบินธบาตว่างไหมโอ้มีคณะอื่นเดินตามเรียนอีกอช่วงล้างบาตรอาจารย์แค่ไปล้างบาตรช่วงนั้นไม่ว่างอีกมีอีกคณะหนึ่งรอรอรับคําสอนอีกงั้นช่วงอาจารย์เดินเข้าห้องน้ําอำช่วงนั้นก็ไม่ว่างอีก ช่วงเดินเข้าห้องน้ําอ่ะงั้นช่วงล้างเท้าอาจารย์โอ้ยล้างเท้าก็ไม่ว่างอีบีอีคณะนึงรอเรียนอีกรอทุกคณนะหมดน่ะช่วงจะเข้านอนอ่ะไม่มีอีกปฐมยามก็ไม่มีมาชิมยามก็มีปัดฉิมยามก็ไม่มีโอถามตรงไหนจะหาแทกเป็นศิษย์ไม่ได้บอกอ้อาจารย์ก็ว่างั้นผมก็ไม่มีประโยชน์จะเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็ว่างั้นนะท่านทําตัวเป็นที่พึ่งคนอื่นแต่ท่านไม่มีที่พึ่งแกตัวเองเลยเนี่ยก็ว่างั้นนะสงสัยท่านไม่มีเวลาตายมั้งเน่ะว่างั้นนะ ท่านเลยเหาะไปต่อหน้าต่อตาเลยโอ้โหแกสะเทือนใจเลยเนะี่ยโอ้ท่านโมนี้ไม่ใช่มาเพื่อจะเป็นลูกศิษย์เรานะเนี่ยคงมานุเคราะห์เราแกก็คิดแบบประมาทนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสอนจบตอนเย็นเนี่ยว่างั้นเราจะไม่ต้องบอกลูกศิษย์หรอกไม่ต้องล้าด้วยอย่างเรานี่ไปใคร่ควนไม่กี่เวลาแล้วก็บรรลุแล้วเพราะปัญญาท่านเยอะใช่ไหมท่านคิดอย่างนั้นแหละพอหลังจากสอนคณะสุดท้ายเสร็จปุ๊บในช่วงปัจจิมยามเนี่ยนะท่านก็เก็บบาทเก็บรายเดินตามเข้าไปเลย เดินตามลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ไม่เห็นนะแล้วก็หลบเข้าถ้าไปเลยท่านเห็นที่มอมอแล้วเอาแล้วตรงนี้นหละไม่น่าจะเกินวันสองวันน่ะเงียบไม่มีอะไรโพลเลยอ่ะเอาวันที่สองก็เงียบอีกวันที่สามก็เงียบอีกเอ๊ะไม่ได้เรื่องเลยท่านว่างั้นนะท่านก็ที่ฐานพรรษาในที่นั่นนึงคงพรรษาเดียวเนี่ยได้เนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นพรรษาหนึ่งก็ไม่ได้ ท่านก็ทำไปอยู่งนะั้นน่ะท่านร้องไห้เลยเนะี่ยท่านร้องไห้ทําไปอยู่อย่างเงี้ยใครควรไปเนะี่ยทํำยังไงรู้ไหมไม่นอนไม่นอนเลยไม่นอนแล้วนะแล้วก็เดินยงกลมไม่ยอมล้างเท้าด้วยเนะไม่ยอมอาบน้ําไม่ยอมล้างเท้าเพียนขนาดนั้นเนะี่ยเพียนไปเพียนมาจนเท้าแตก เท้าแตกถึงขนาดว่าเด็กแถวนั้นเขาไปเห็นเ้าเนี่ยเขาใช้ไอ้เข็มที่เย็บกระสอบอย่างนี้นในตำรออ้องนั้นเนี่ยเย็บเข้าไปที่เท้าแล้วก็เชือกมัดมัดไอ้เท้าที่มันแตกเลยมัดเขาไว้แล้วท่านก็เดินท่านเดินอย่างนั้นแหละมาพรรษาที่ยี่สิบเก้าเนี่ยท่านร้องไห้ร้องไห้ในขณะที่ท่านร้องร้องมันไม่ใช่ร้องในใจร้องดังเลยใช่ไหม ก็มีได้ยินเสียงคนที่ร้องดังกว่าท่านนี่ท่านก็หยุดนี่ท่านก็เลยถามว่าใครร้องไห้เทวดาก็บอกว่าฉันเองโยมเองอวะเนี่ยเอา้าร้องไห้ทําไมร้องไห้คือว่าคือถ้าร้องแล้วคิดว่ามันคงจะได้สักมาร์กสองมาร์กก็เลยร้อง <c oughs> โอ้โหช้าใจมากท่านนึกไดใจโอ้โหท่านท่านตําหนิเรียกชื่อตัวเองเ่ย บอก oh, oh, right โอ้โหขณะเทวดายัางย่อเยอะเลยนะท่านนั่นแหละตั้งความเพียรในภาษานั้นและท่านในบรรลุเป็นพระทหานั่นแตกฉานในปฏิสัมพิทาพระทหารที่เป็นลูกศิษย์สามหมื่นรูปเนะี่ยจ้องดูอยู่นะพากันห่อมาเลยห่อมาก็จะไปล้างเท้าให้อาจารย์ดีๆใช่ไหมเข้าไปเสร็จท่านกําลังโอ้โหเราไม่ได้นอนมาสามสิบปีว่นั้นนะเราท่านจะล้างเท้าท่านท่าจะล้างลูกศิษย์ก็มาบอกอาจารย์ขออุทาหกรรคูณยายา อาจารย์อบอกว่าอาจารย์ไม่ล้างเท้ามาตั้งสาสิบปีอาจารย์จะล้างเองในทํานองอย่างนั้นเนอะก็ต่างคนต่างก็จะมาอุปถัมอาจารย์อาจารย์ก็ร้องขอร้องว่าอย่าเลยอาจารย์จะทําเองในขณะนั้นเนะ่ยเท้าโกสีเท้าสากัดจ้องดูอยู่แล้วใช่ไหมรีบลงมาแล้ว พ, พร้อมภรรยาส่งนางสุชาดานนาหน้าแล้วก็รีบตะโกนบอกโยมผู้หญิงมาแล้วพระก็ต้องหลีกทางให้ใช่ไหม พยมผู้หญิงมานางก็เดินตรงพาสามีอ่ะรีบไปบไปเบียดเสท้าสกาก็จับที่เท้าท่านพระมหาสิวะก็บอกดูก่อนเท้าโกสีออตมาไม่ได้อาบน้ำแไม่ได้อาบน้ำมาเนี่ยสามสิบปีไม่ได้ล้างเท้ามาเลยเนี่ยธรรมดามนุษย์เนี่ยห่างห่างท่านเนี่ยร้อยโยอดก็เหมินนะะวางนั้นนะประดุดดังซากสุนัขเน่าผูกคอม่ใช่หรือถามเนี่ยนะเท้าสา ก, กาบอกว่าข้าแต่พระคุณเจ้า ว่างั้นนะพระอย่างท่านเนี่ยว่างั้นนะกินศีลกรบไปหมดละกินศีลไปทวนลมว่างั้นฉะนั้นบอกว่ า, วาไม่มีความเหม็นเลยอะ่ะก็มาก็เลยอุปถากว่พระเถราด้วยการใช้น้ำล้างเท้าก็หายเป็นปกติเลยเนี่ยในลักษณะนี้นะสรุปแล้วก็คือว่าคนที่ได้บุญคือเท้าสักกะ ตอนนี้เป็นพระโสดาบันเห็นไหมท่านเป็นพระโสดาบันฟังสักกาปัญหาสูตรเนี่ยถามเรื่องเวทนาสามพุทธเจ้าแสดงจบแล้วก็ได้บรรลุฉะนั้นถ้าหากใครปรารถนาจะไปฟังธรรมนะที่นนท์ธรรมสภาไปได้ที่เท้าที่ที่ทดาวดึงเท้าสกการเที่ยทุก ว, น <c oughs> นกวนันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเพราะท้าส ก, กเป็นพระโสดาบันแล้วใช่ม อันนี้แปลว่าถ้าถ้าในโลกมนุษย์เขาไม่มีการแสดงทำกันแล้วก็นั่นยังมีที่ฟังทำอยู่แต่สําคัญจะไปไม่ถูกอคนต้องมีบุญใช่ไหมถึงจะไปถูกถ้าไม่มีบุญก็หมดเสร็จไปแล้วตรงเนี้ยอันนี้บ่งบอกถึงวิริยะบ่งบอกถึงความเพียรเห็นไหมระดับความเพียรระดับสาวกอันนี้ยไม่ต้องเทียบพระพาาุทธเจ้าที่อาจมาพูดมาในต้องการให้เห็นคุณของพระพุทธเจ้ า, า ว, ว่าว่าเวล า, ว า, ว า, วาพระบรมศาสดาสร้างบารมีมานั้นยิ่งกว่านี้ อันนี้ระดับสาวกยังแค่นี้นะขนาดคุณของอริยสงฆ์ยังขนาดนี้แล้วคุณของพระเจ้าจะาขนาดไหนเนาะแล่เนี่ยจะได้พิจารณาเห็นคุณของพระเจ้านะจะได้เห็นวิริยะบารมีของพระเจ้านะั้นน่ะยิ่งใหญ่มากเมื่อสุเมธาดาบทโพสจตพิจารณาอยู่อย่างนั้นมหาปัจพีก็หวั่นไหวมนุษย์ชาวรมนาครก็เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดายืนอยู่ บางพวกก็ลม้มลงสลบเหมือนต้นสาลาใหญ่ถูกยุคคนทาวาตานะะนะพัดกระหน่าภาชนะดินหม้อเป็นต้นเหล่านี้ก็หมุนกระทบกันแห ล, ลกเป็นจุนวิจุนไปเนี่ยนะหาชนก็หวาดกลัวเข้าไปเฝ้าพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทูนถามว่าข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าพวกข้าพเจ้าไม่รู้เหตุว่านี้เป็นการหมุนตัวของนาคหรือของพู้ยักษ์หรือเทวดาหรือพระเจ้าพระพุทธเจ้าข้าว่างั้นนะ มหาปทพีทั้งหมดเนี่ยมีภัยมารบกวนเป็นต้นนี้ก็ถามสาเหตุครั้งนั้นพระบรมศาสดาได้รับสดับคําของชนเหล่านั้นแล้วก็บอกว่าท่านทั้งหลายอย่า ก, กลัวเลยพวกท่านจงวางใจอย่าคิดอะไรเลยไม่มีภัยที่เกิดจากเหตุนั้นแก่พวกท่านวันนี้เราพยากรผู้ใดคือพยากรสุเมธาดาบทนั่นเอง สุเมทาดาบทจักเป็นพระเจ้านามวะโคตมะในนาคตผู้นั้นกําลังพิจารณาซึ่งบารมีธรรมทั้งหลายที่พระชินเจ้าทั้งหลายส่องเสพมาแล้วในการก่อนในบัดนี้เมื่อท่านผู้นั้นกําลังพิจารณาธรรมคือพุทธภูมิไม่เหลือเลยเนี่ยด้วยเดชแห่งธรรมของท่านผู้กําลังพิจารณาอยู่นั้นทั่วหมื่นโลกธาตุพร้อมทั้งเทวโลกก็หวั่นไหวแท้ซ้องร้องพร้อมๆกันว่างั้นนี่ย